Fifty languages. สิบสามฮดิมูรูกิจกรรมเ a ลล่าสักกัลโ a มาท่าทำอะไรมาตาเยนูมาด t h a ตเลเธอทำงานในสำนักงาน อาวลูกกรชืรยน ล, ลีเคลเสะมาดุตตาเลเธอทำงานด้วยคอมพิวเตอร์อาวล้ลูคอมพิวเตอร์นนดิเกเคลเลสะมาดุตตาเลมาท่าอยู่ที่ไหนมาร์ตายน ล, ลีดาล่าเลที่โรงหนังจิตรมันธิร ด, ดาลีด่าเลเธอกำลังดูหนัง อวันนู้วันดูชิตรวรรนู้นอดติดด่าเลยปีเตอร์ทาอะไรปีตอร์ยันูมาดุตตานะเขากำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยอวันนู้วิศววิทยาไมลยเดลลีวดุตตานะเขากำลังเรียนภาษาอวันนู้ภาษากราอัจฉยนูมาดุตตานะ ปีเตอร์อยู่ไหนปีเตอร์อยูดด่ที่ร้านกาแฟอขานู่หอเทลลีนัลงอ ด, ดานนเขากําลังดื่มกาแฟอขวนู่กาแฟ น, นูกุดยุติดดานนีพวกเขาชอบไปไหนเขาโรยลลีเก้หัวกลูอิสตตาปุตตาเร ไปดูคอนเสิร์ตสั ง, งกีตัคเชริเกพวกเขาชอบฟังดนตรีอาวริเกสั ง, งกีตเคลลูอิสตพวกเขาไม่ชอบไปไหนอาว่รูเยลลิเกโฮกลลูอิสตาพดูุดิลลไปดิสโกโ้ดิสโ ก, โก้เก พวกเขาไม่ชอบเต้นรำเขาโรนรุทธยมาดูดันโนอิสต้าพอดูดิลล